วีการเรยนรู้รมฐานวันนี้ก็คง ว, ว่าก็เริ่มวีปราาัชนาญาณเบื่อมั้งปรันาให้เบื่อเลยให้เบื่อพอูดต่อคำว่าวิปรันาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็ขอบรนดาญาติโยมทุบริษัททราบตามความเป็นจริง ในที่บางแห่งมันจะพูดว่าที่นี่เป็นนักวิปัฒนาที่นี่จะเป็นนักสมถะความจริงสมถะกับวิพัฒนาเนี่ยมันแยกกันไม่ออกถ้าทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีผลเลยการจะดินถสมถะภาวนาก็ต้องใช้ปัญญาสมถะคือสมาธิต้องใช้ปัญญาก็ช่วย ถ้าไม่ใช้ปัญญาเขาช่วยการเจริญสมาธิก็ไม่มีผลเพราะว่าไม่มีความเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรให้ตัวที่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไรนั่นคือปัญญาพอมาเจอวิปัตสนาญาณถ้าไม่มีสมาธิกุมอารมณ์ไม่ส่งตัววิบัตสนาญาณก็ไม่เกิดผลรวมความแล้วถ้าสมถะก็ดีวิปัตสนาญาณก็ดีต้องใช้ร่วมกัน แต่การใช้ร่วมกันจะใช้เฉพาะสออย่างไม่ได้ต้องมีศีลด้วย <c oughs> คือการเจริญกรรมฐ า, านต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญา <c oughs> นี่การเจริญนิพพานานญาตบรรดาธุพุทธบริษัทจะทํารวดเดียวแคต่อเวลานี่ก็ไม่ได้ไหม่กัน <c oughs> ถ้าถามว่าใครห้ามก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ใครห้ามสมาธิไม่ท่งตัว <c oughs> เพราะการเจริญนิพพานานญาตใช้อารมณ์คิด ถ้าสมาธิคลายตั ว, วอารม์คิดก็คิดเอานอกรูนอกทางนี่เวลาทาจริงๆอันดับแรกธรรมดาทั้งพุทธวิษัทอันดับแรกใหสมาทานศีลก่อนเพราะว่าการจะเป็นกรรฐานทั้งสองอย่างถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดถ้าสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดอันดับแรกต้องมีศีล เพื่อความมั่นใจของตัวเองให้สมาทานสิน่ังก่อถ้าบกพร่องในสิ่นั้บ้างถิดว่าเวลานั้นเราไป็นผู้มีสิง่งใจก็สบายหลังจากนั้นตอนทําสมาธิคําว่าสมาธิที่เราจะแพ้หรือชนะสมาธิประโยชน์ที่นิวรณ์ถ้ขณะใดนิ ว, นวรกวนใจเวลานั้นสมาธิไม่เกิด เวลาที่ยาติโยมพุทธบริสัทจะทำสมาธิต้องพยายามกำจัดวิรให้พ้นไปจากใจเฉพาะเวลานั้นก่อนจริงวิรนี่เราฆ่ามันไม่ตายถ้าเราไม่ใช่พระอริยวเจ้าเบื้องสูงพระอริยวเจ้าเบื้องสูงพระ อ, ราววา น, อนาคา ม, มีก็ฆ่าได้แค่สองตัวต่ฆ่าหมดห้าตัวตอเมื่อเป็นพระอรหรันต์ ฉะนั้นหนึ่งว่าเรายังไม่เป็นพระนาคามีถ้ายังเราไม่เป็นพระไหล่ก็ข้างแค่แะนะครับขึ้นลบม่านโชคเก่ามีวันห้ารายการเวลาที่ภาวนาจงอยากคิดถึงก็คือว่าหความรักระวังเพศราการที่สองอารมณ์ไม่พอใจราการที่สามความม่วงราการที่สี่จิตคุ้งสร้างคิดนอกเรยยื่องลอย พ้าเรนการนี้หสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาท่านผู้บริษัท์ถ้ามีในกำลังใจของท่านเวลานั้นสมาธิไม่เกิดถ้าเวลาใดที่วอนงับเวลานั้นจิดของท่านเป็นปฐมฌานจิตเป็นศูนย์โครงความอันดับแรกนอสมาธิทานสินแล้วก็ต้องสู้กับลมวุ่นวายคือสมาธิ ต้อใช้สมาธิเข้าข่มอุทจักภูตจักคือความวุ่นวายของใจใการข่มอาจจะใช้เวลาได้ไม่นานอาจใช้จะใช้เวลาไม่ใหม่ชั่เวลาสักหนึ่งนาทีบ้างครึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างจิตก็ตก อ, อยู่ภายใต้นม้ของอนิวรณ์คิดมอนคิดมี่ไปตามเรื่องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตเราห้ามไม่ได้ ให้จิตรู้ลมหายใจเข้าเนื้อใจออกก็ตามเวลานั้นจิตเป็นสมาธิหรือว่าเวลานี้เรารู้คำภาวนาหรือเปล่าถ้าเราภาวนาอยู่เราภาวนาว่าอย่างไรคำภาวนาสรงตัวไหมถ้าสรงตัวตามนั้นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิก็ใหม่ๆก็ต้องสู้กันไปสู้กันมาเอาแน่นอนตั้งไม่ได้ถ้าเวลาปฏิบัติวิจารนาญาณจริงๆให้เริ่มต้ น, นการสมาทานศีล แล้วก็ทำจิตเป็นสมาธิโดยกาหนลดู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนเมื่อล้ลมเข้าลมออกก็ใช้คำภาวนาตามพอจิตเริ่มเป็นสุขต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาจะไม่ทรงตัวนานพอเดี๋ยวจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็ทิ้งนิพสสนายานที่จับสมถภาวน า, าใหม่คือรู้ลมไม่ใจเข้าออกใหม่ ต้องสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ถ้าจิตเวิดาท่านผู้บริษัทสามารถเข้าทรงตัวถึงปฐมฌานเพียงใดเวลานั้นการกำจัด ก, กิเลส ข, ขั้นระโสดาบันสิกิธาคำมีก็มีขึ้นก็เข า, าแนะนำเท่านี้นะอาจจะเพียงว่าถ้าจะทำวิปัสสนาญาณให้เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกก่อนกับคำภาวนา พอจิตเริ่มเป็นสุขใจเริ่มสบายก็ใช้คำใช้ใช้ปัญญาทิ้งภาวนาเสียใช้ปัญญาพิจารณาจะรู้อย่างรู้ลมเข้าออกอยู่การมาใดที่อย่างรู้ลมให้ใจเข้าใจออกกระพิเจพิจารณาไปด้วยเวลานั้นจิตเป็นสมาธิมีกำลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับมิวรนได้สำหรับนิปัสสนาญาณวันนี้เป็นข้อที่ห้าท่านเรียกวันนี้ปีทะญาณ นิปีทานานี่แปลว่าเบื่อมีอารมณ์เบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดเบื่อในความเป็นอยู่ก ร, ปประรองามมาใช้สัรพเบื่อกันเขาพูดเรื่องนี้ซะก่อนการเจริญนิพพ า, าญนญาณบรรดาท่านพุทธบริษัทมันมีท่านมีทั้ง9้าข้อแต่ความจริงๆแล้วก็มันก็เหมือนข้อเดียว การพิจารณาทั watering, ane, nope. is is you know ้ง9ข้อก็พิจารณาที่ร่างกายอย่างเดียวเ้าเรียกว่าร่างกายหรือขันห้าก็ได้เหมือนกันเรียกง่ายๆก็เรียกว่าร่างกายดีกว่าให้พิจารณาร่างกายเห็นว่ามีความเกิดและความดับนี่เป็นข้อที่หนข้อที่สองให้พิจารณาร่างกายมีแต่ความดับอย่างเดียวข้อที่สพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นโทษข้อที่สี่พิจารณาพลังกายเห็นว่าเป็นภัย ข้อที่หเบื่อร่างกายกรมความว่าการใช้วิปัสสนาญาณถ้ายังไม่ถึงนิพพิทายาเพียงใดก็เชื่อว่าลมคุบรรดาแตนพุทตบวรจักรยังไม่มีผลในนิพัสสนาญาณนิพพิทายาเนี่ยเป็นตัวแรกที่เข้าถึงผลแต่ผลที่เข้าถึงตอนแรกแบรรดาแทนพระตบวรจักรจะคิดว่ามมนจะทรงตัวเอากันแค่เบื่อเล็กน้อยเฉพาะเวลา หม่ๆนะเบื่อตลอดเวลาไม่ได้นะคือไม่บังคับไม่ให้เบื่อตลอดเวลาจะมันจะไม่เบื่อตลอดเวลาบางครั้งเราจะมีความรู้สึกเบื่อในร่างกายของเราเองเอาร่างกายเราไปสําคัญแต่ก็บางครั้งมันก็ไม่เบื่ออารมณ์เบื่อมันจะน้อยกว่ารู้ไม่เบื่อเพราะช่างมันถือว่ามีความเบื่อบางกระแล้วกันเบื่อตรงไหนบรรดาแต่พ่ทธบริษัทเบื่อคิดว่าการเกิดก่อนจะเกิดข MM ER ึ้นมาได้จะมาเต็มไปด้วยความทุกข์ เราไม่สามารถจะทบทนความทุกข์ที่อยู่ในคันมารดาได้ถ้าเราสามารถทบทนได้จะรู้สึกๆๆๆรู้สึกว่าเวลานั้นมันมีทุกข์หนักจะเป็นเด็กตัวเล็กๆทึ่นั่งนอนอยู่ในห้องแคบๆร่างกายค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยแต่ห้อ ง, องมันจะโตไปด้วยทีแรกเมื่อปรากฏตัวขึ้นมา ปรากฏปฏิสนธที่้นมาจะรู้สึกว่าห้องในคันมันดาเปนกว้างขวางมากมันก็ถ้าใหญ่ๆพราะเวลานั้นร่างกายยังไม่มีมีแต่กําลังจิตเข้าไปสิสนธิก็ก้อนเลื่อนเล็กน้อยต่อมาเมื่อปรากฏร่างกายขึ้นร่างกายยังเล็กอยู่ยังไม่มีการขับแคบกย่าสบายมีความรู้สึกสบายต่อมาเมื่อร่างกายใหญ่ขึ้นเต็มที่มันเริ่มจะโตกว่ามดลูกธรรมดา แขนขาเหยียดไม่ไหวมันจะเลยว่านลูกไปตอนนั้นก็เรื่องครับแคบต้องงอมืองอเท้าตอนนี้ก็มีทุกขเวทนานในะ่ที่สุดก็ทนไหวต้องเคลื่อนออกมาทงนี้มันทุกหนักแต่ทุกตัวนี้เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปเห็นได้ก็มาทิศทุกขข้างนอกก็นเลยกันเมื่อเราออกจากคันมารดาและบรรดาท่านทุกคนจะสึงเกตเด็กเล็กๆตัวท่านเองอาจจะจําไม่ได้ ออกจากคันมันดาแล้วความกระทบกระทแทกขั้นแรกอยู่ในนในคันมันดามีแต่ความอบอุ่นออกมากระทบอากาศภายนอกเข้ามีการแสบตัวจากความหนาวบ้างความร้อนบ้างก็มีการแสบตัวมากเด็กจริงร้องไอ้ที่ร้องบางคนบอกเด็กร้องเสียงดังดีแข็งแรงในความจริงไม่ถูกมันร้องเ พ, เพราะไม่ดีไม่ดีจริงร้องตอนนี้เราก็ยังไม่คิดกลงก็ได้เขามาคิดต่อไป ว่าตอนนั้นเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ทุกอย่างขึ้นกับพี่เลี้ยงและมารดาความหิวเกิดขึ้นก็ยังพูดไม่ได้บอกว่าหิวหากินเองก็ไม่ได้กว่าพี่เลี้ยงและมารดาจะทราบก็ต้องร้องการที่จะหิวถึงร้องแสดงว่าหิวจัดมันเป็นทุกขเวทนาจากความหิวเป็นความทุกข ในเมื่อปวดอุจจาระปัสสาวะกระุกไปถ่ายไม่ได้ต้องถ่ายรถตัวเองตัวนี้นก็ตัวทุกข์ทุกข์มาแต่ตั้งเด็กพอถึงเด็กใหญ่หน่อยช่วยตัวเองได้บ้างก็มีความทุกข์อยภายใต้บังคับบัญชาบ้างต้องเรียนนรงสอบ้างต้องมีทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไ ม, สม่สบายบ้างต้องประกอบกิจการบา น, บานมากคายงานบ้างต้องถูกบังคับบัญชาจากผู้ใหญ่ให้เป็นไปตามใจชอบของตนเองไม่ได้อารมณ์ก็เป็นทุกข์ ต่อมาไปถึงความเป็นผู้ใหญ่พอจะคิดได้ก็คิดว่าหนึ่งความหิวเป็นทุกข์อย่างนี้เขาเรียนิพพัทธทุกข์ทุกเหนืองนิดมันทุกทุกวันความหิวเราไม่ได้หิววันในเวลามันหิววันละหลายครั้งหลายเวลากินแล้วมันก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวหิวแล้วก็กินกินแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็กๆๆวหิวกิจการงานที่ต้องประกอบกิจการงานต่างมีความเหนื่อยยาก จุดใหญ่สําคัญมาจากหิวก็ต้นเหตุ <c oughs> ความหิวเป็นใหญ่เครื่องแต่งตัวขึ้นบรรดับและบ้านช่องเราสร้างไว้มันก็นานพังเครื่องแต่งตัวชุดนี่ก็หลายวันจะจะ ห, หลายวันจะต้องเปลี่ยนแต่ความหิวเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนจากความหิวกับความอิ่มว่าอิ่อมบ่นละหลายครั้งถ้าชีวิตหิวก็ตัวทุกใหญ่ต่อมาก็ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นอาการของความทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นอาการของความทุกข์ความแก่ที่เข้ามาถึงเราก็เป็นอาการของความทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็มีอาการของความทุกข์ก่อนจะตายมีทุกขเวทนาอย่างหนักมันหนักไปสุดก็เป็นความทุกข์เมื่อพิจารณาตามนี้แล้วก็คิดว่าร่างกายนี้น่าเบือ่อและสิ่งที่น่าเบื่อต่อไปก็นั่นก็คือว่าถ้าเรายังไม่สิ้นกิเลสเพียงใด การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏายังมีอยู่ตายแจกความเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็ยังดีส่วนใหญ่ก็ไปอบายภูมิจะไปสวรรค์นเนี่ยผมก็มีน้อยถ้าดปเกิดในอบายภูมิเมนนรกเป็นต้นมาทุกข์หนักกว่านี้ก็รวมความว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่สิ้นทุกข์ฉะนั้นการเกิดประเภทนี้เป็นของน่าเบือ่อในินนนนพพายาณ น, นี่ย มันจะเบื่อวันนิดปันหน่อยบางทีก็เบื่อหนึ่งวันไม่เบื่อถ้าสิบวันก็ช่างอะไรก็ยังมีความเบื่อสมมติ ว, มว่าบรรดาท่านพุทธบริษัตเกิดมีอารมณ์เบื่อขึ้นมาเบื่อจริงๆถ้าเบื่อสักสองสามนาทีต่อหนึ่งปีเอาปีหนึ่งเบื่อครั้งไม่ไหวไหมดีนะที่นั่งเนี่ยดีไม่ดีไม่เบื่อเลยเนี่ยนะ ปหน่งเบื่อครั้งแล้วสองปีเบื่อครั้งเบื่อครั้งแลง้วสองนาทีให้มันเบื่อจริงๆถ้าทําอย่างนี้ได้นะผลก็มีผลใหญ่ก็มีกระมดดาท่านพุทธบริษัทจะยกตัวอย่างให้ฟังสัท่านหนึ่งทอาไหมนีทา น, นิพร้อมรับนะเป็นก็สูตรเรื่องของท่านจุนบันทกท่านจุนบันทกที่ความจริงเป็นน้องชายพระธ้ามาหาบันทก เป็นพระที่มีบุญญาธิการมากแต่ว่าในตอนต้นกรรมที่เป็นอกุศลส น, นองกลายเป็นคนโง่ไปเข้ามาบวชอยู่กับพระพี่ชายสี่เดือนพระพี่ชายท่องคาถาสรรเสริญพุทธคุณคือค อ, ค อ, ค อ, อิทิปิโสบทต้นที่เดือนท่านจำไม่ได้เลยฉลาดไหมฉลาดมากไปหน่อยนะไม่ฉลาดพอดี พี่ชายพี่ชายไปพระรหันติสมิธายานพี่ชายก็จะนัยว่าน้องชายของเราถ้าเขินอยู่กับเรานี่ก็เอาดีไม่ได้เราเองก็ไม่สามารถจะสงเคราะห์น้องชายได้คนที่อารันติสมิธายานนี่ต้องทราบว่าผลใหญ่จะมีกับใครเมื่อไรที่ไหนใครจะเป็นผู้ช่วยเหลื อ, อ น, นี่ท้องทราบไปสมิธายานสาคัญมาก ท่านก็ทาบว่าคนที่จะสงเคราะห์ได้น้องชายได้เขามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแนละ้วท่งนก็ขับต้องชายท่านถือว่าถ้ายังมีความรักในความเยื่อใยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่สาหรับน้องชายนะความเบ้ออรหันจะไม่มีต้องตัดเยื่อใยคือความรักในต้นตระกูลเสียก่อน ท่านก็ขับพระจุนวันถกให้ออกไปคนสํานักของท่านพระจุนวันถกเมื่อพ่อตายแม่ตายแล้วไม่มีใครมีแต่พี่มีมีพี่กับนเหมิง พ, พี่เป็นพ่อในเมื่อพี่ขับก็ไม่ทราบจะไปไหนก็เวลาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนเธอบอกพี่ชายขับอยู่ไม่ได้ต้องไปพระพุทธเจ้า ก, ก็ถามว่าเธอบวชในสำนักของใคร ท่านจนบันโธก็ตอบว่าบวชแตนรักขบพระองค์มาเจ้าค่ะพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าถ้าพี่ชายของเธอขับก็จงอยู่กับฉันท่านก็นเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกกรรมาฐานใช้ผ้าเช็ดหน้าขาวๆที่สะอาดมากผืนหนึ่งส่งให้แล้วว่าเธอจึงเอามือเอาวางมือวางเข้าง่ายมือขึ้นแล้วผ้านี้ใส่ฝ่ามือถ้ามือมือหนึ่งทับลงไปแล้วคลึงไปคือมา ถ้าภาวนาวาราโชหะนังและจังนาติภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปท่านก็ภาวนาอย่างนี้เรื่อยๆไปสักครู่เดียวก็ลืมตายขึ้นดูเห็นไอ้ผ้า ข, าขาวๆที่สะอาดที่สดมันกลายเป็นผ้าดำเพราะเปื้อนมือใครในมือในอุ้งมือท่านก็ไปเชิญนายว่าร่างกายของเรานี้แค่ที่มือท่านเนี่ยสกรปรกขนาดนี้ภายใ น, นร่างกายทั้งหมดไม่สกรปรกยิ่งไปกว่านี้เือ เพียงเท่านี้บรรดาญาโยมพุทธวสัตถ์ท่านตากกัดกิเลสไปเป็นพระาราหันทันทีตัดกิเลสเป็นสมุทเทตุรหันเป็นพระาราหันทันทีต่อมาก็อนุภาพมากอางนี้รุกวันลุ่งขึ้นนางวิสาขาก็ดิ ม, มนพระพุทธเจ้าพรา้อมปฏิปสงค์ทั้งหมด <c oughs> ไปฉันอาหารเพรในบ้านพระพุทธเจ้าก็แจ้งพระมหาวันตกพระมหาปันตกนี่เป็นพระุเทศ เป็นคนนิมนต์พระถ้ามหาบาัณฑุก็มีมนต์พระทั้งหมดเว้นน้องชายคนเดียวเข้าไหมนี่นั่งฟังนี่ขี้ราหาราาันอคติไหมไงเอาละนี่นั่งด่าเราอย่างนีเลยเนี่ยตุศรกนะให้นึกดา่าน้องชายไม่นีมนต์พระอื่นทั้งห้าร้อยองค์มีมนต์หมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องการประกาศอนุภาพของพระน้องชาย แต่ความจริงพี่ชายกับน้องชายเมื่อรู้อาหารหันแล้วยังไม่พบกันเนะี่ยเขาอยู่คนละสำนักตอนชายอยู่พระพุทธเจ้าในเมื่อพระไปหมดพร้อมกันที่บ้านนางวิสาขาก็พระพุทธเจ้าบอกว่าวิสาขาพระยังมาไม่หมดท่นนวิสาขาถามว่าถามมาเพราะอะไรท่านบอกมีพระยังหลงที่วิหารองค์หนึ่ง นาวิสาขาก็ใช้คนบนัญญินต์ปรากฏว่าไปถึงที่นั่นมีพระอยู่เต็มมีหารเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดตีตายคนนั้นก็กลับเข้ามาก็บอกว่าไม่ใช่มีพระองค์เดียวแล้วมีพระเต็มมีหารสักพันองค์นาวิสาขาก็ทูลถามพระเจ้าบอกมีพระองค์เดียวทำไม่มีพระมากท่านบอกมีองค์เดียวชื่อจุนบันทกให้คนนั้นกลับไปใหม่ กลับไปถามว่าใครเชื่อจุนมณฑกอีกตาหนั้าก็กลับไปคนต้นบอกฉันจุนมนฑกอีกพันคนก็จุนมนฑกเหมือนกันหมดตานั่าเห็นถกมากก็ อ, อยู่ไม่ได้กลับมาใหม่ต้ถกกเป็นพันถกใช่ไหมกลับมาใหม่ถ้ากลับมาใหม่พระเจ้าบอกกลับไปใหม่ถ้าคนไหนผูดก่อนจับมือองค์นั้นไว้ถ้ากลับไปใหม่ก็ถามว่าองค์ไหนเชื่อจุนมณฑกก็รับ ออต้นจริงว่าฉันชื่อจุลนมติกอีกพันคนก็จุนเหมือนกันเขาเลยจับมือมันไว้ไม่จับมือมต้นไว้อีกพันคนก็หายไป อ, องค์พระองก็หายไปเนี่ยกงุงพราเป็นพระที่มีอำนาพมากทอนนี้มาพูดตรง น, นี้ก็พูดถึงว่าทําไมเมื่อพระจุลนกรถกตอนบวชใหม่ๆจึงเป็นคนโง่แต่ก็บอกว่าพราะอ น, นิสงค์นนงเก่าที่เป็นกรรมที่เป็นอกุศล เพราะว่าสมัยก่อนท่านจุนบันงดตกเป็นคนค น, คนฉลาดชาติเก่งกาจเวลาบวชพระก็มีพระองค์หน่งท่านบัญญาทึบท่องหนังสือจําไม่ค่อยได้ท่านจุนบังดตกก็ไปวเราะยอะท่านอาลีสง์ที่วเราะยอะพระที่จําไม่คยได้ชาติหลังนีง่จริงๆเป็นคนโง่ในตอนต้นเพราะว่าในตอนต้นอรุลให้ผลแด้พระก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมท่านจุนบันดตก เมื่อเจริญกรรมาฐานป้าเดี๋ยวเดียวจึงเป็นอรหรันต์ถ้ามีอนุภาพมากพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะกรรมเก่าที่เขาทำความดีไปไอ้ความดีความชัว่วธรรดาญาติโยมมันให้ผลกับเราในชาตินี้ทั้งสองอย่างนะดูตัวอย่างท่านจุนวันถกพระก็ถามว่าความดีคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านใช้สัพ ป, ปะดึกดำบันในสมัยดึกดำบรรที่นานมาแล้วไม่ใชจตีเตกันเลย บาลีด้มากว่าจะขึ้นต้นวัตถีเต ก, การเลยได้ดีแต่การแต่บทนี้ขึ้นต้นบันดึกดำบรรพ์ <c oughs> ว่าในดึกตําบรรพนานมาแล้วมีพระราชาหนึ่งครองประเทศวันหนึ่งทรงสเสด็จเสด็จเรียบพระนครเวลานั้นเป็นฤดูร้อนเหงื่อก็ไหลเมื่อขณะที่นั่งนั่งแค่ก็หามไปเรียบพระนครเมื่อเหงื่อไหลก็นําผ้าเช็ น, น้า ข, าขาวๆมาเช็ดตัว เช็ดไปเช็ดมาเช็ดมาเช็ดไปอ่ะผ้ามันดูปรากฏว่าผาเพื่อนเหงื่อมันก็ดํามีความสุขโปรภเพียนึกว่าร่างกายของเราสุขโปรกขนาดนี้เฉยๆความจริงร่างกายไม่ใหญสภาพสะอาดมันเป็นขอสุปรภมันขอน่าเกลียดไม่น่าจะเมาติดร่างกายเลยแต่ความรู้สึกนี้บรรดาเทนพุทธบริษัทท่านจุลวรรกคิดเพียงเท่านั้นนะวันหลังต่อมาทั้งชาติไม่ได้คิดอีก แล้วก็ต่อมาอีกหลายสิบชาติก็ไม่ได้คิดอีกคิดนิดเดียวเวลานั้นท่า น, นนั้นจะรวมเวลาแล้วสักสองนาทีจะได้ปล่าไม่ทราบแต่มาในชาติสุดท้ายที่มีบา ร, รมีเต็มท่านอยู่ในมัณตกก็าปาบรรลุฐานด้วยกรรมาฐานกองนี้กองเดียวกันคือใช้ผ้าเช็ดหน้ามาคืึงเหมือนก็เช็ดตัวเห็นผ้าสัวกปร ก, ก็เกิดนิพพิทา ย, ยานมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น ต่อมาก็ได้สังขารุ่งเรกองขา ย, ยานวางเหืนในร่างกายเป็นผ้าดาหันได้ลงความว่าวันนี้ญาติโยมพระธบริสัทมาศึกษาการเรื่องนิปิทายานก็ดูตัวอย่างพระจุนวันทกว่าท่านจุนวันทกตั้นรู้สึกว่าร่างกายของเราน่าเกรยียดสกปรกต้งแค่เวลาประเดี๋ยวเดียว <c oughs> นั่งคันหามไปแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าไม่เช็ดตัวนึกตาม ผ้าโซกับ帛ก็มองดูผ้าคิดว่าร่างกายโซกับกขนาดนี้จรึงมีความรู้สึกรังเกียจร่างกายแต่ว่าความเป็นพระราชาก็รังเกียจไม่ได้นานพระก็หามไปต่อไปก็ลืมความรังเกียจลืมทั้งชาติไม่เคยนึกถึง <c oughs> <c oughs> และต่อมาอีกหลายสิบชาติไม่ได้นึกถึงแต่ผลความดีที่เมรุสงนี้มาสนองชาติสุดท้ายนี่ทาบรรดาญาโยมพุทธวิสัตถนตัย พิจารณาร่างกายให้เกิดปาานนาาเป็นนิพิทายานคำว่านิพิทายานเป็นภาษาบาลีให้เบื่อร่างกายนิพิทายแปลว่าเบื่อมีความเบื่อในร่างกายจะเบื่อวันละหนึ่งนาทีบางทีมันมันถีไปเอาเจ็ ว, วันเบื่อครั้งก็งได้นะแล้วเจ็ดวันมันถีไปก็หนึ่งเดือนเบื่อสักหน่อยนึ่งได้ไหวไหมเบื่อไม่เบื่อเนีต้องนั่งดูว่าส่วนไหนมันน่าเบื่อก็คิดว่าถ้าความหิวเกิดขึ้น ถาบเอ่ยมนึกได้คิดว่าร่างกายนี่น่าเบื่อจริงนะกินไม่รู้จักจบกินเท่าไรก็ไม่อิ่มจริงกินประเดี๋ยวอิ่มปรเดี๋ยวก็หิวใหม่มันก็น่าเบื่อตัดจุดเบื่อนะถ้าประกอบกิจการงานมาต้องรีบไปทํางานระยะพักก่อนนะสบายก็ต้องรีบไปพักไม่ได้ก็คิดว่าถ้าไม่เราไม่มีร่างกายแล้วไม่ต้องทําำงานเหนเลยไม่ต้องรีบไปอย่างนี้มันน่าเบื่อที่ระยะพักผ่อนมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องทํางานหาจุดเบื่อใช่ไหม แราว่าการป่วยไข้า ม, มาสมัยนิดหน่อยเกิดขึ้นก็คิดว่าร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายการป่วยก็ไม่มีเมื่อมีร่างกายมันป่วยอย่างนี้ร่างกายนี้ก็น่าเบือ่อเอาอย่างนี้ไปตน้นครงความว่าหาจุดใดจุดหนึ่งคิดทบทวนคือว่ า, าก่อนหลับก็ได้คิดทบทวนวันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของร่างกายเราที่น่าเบือ่อก็ตัดสิ้นใจว่าเราควรจะเบื่อมันตั้งใจต่อไปว่าคิดว่าร่างกายที่น่าเบื่ออย่างนี้ต่อไปจะไม่มีควากับเราอีก เราจะไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานคิดทบทวนแบบนี้จะฝึกไปเป็นแบบฉบับก็ได้นะถ้าเชื่อว้คิดพิจารณาเวลาเจริญกำบันถานก็ต้องสังเกตให้ดีว่าคิดไปคิดมาคิดวายิดไปถ้าจิตเริ่มฟุง้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกคิดเริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ แล้วภาวนาไปด้วยขณะใ ด, ดที่รู้ลมเข้าลมออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสุขเริ่มพิจารณาใหม่เนือบางท่านบางทีก็ททำกันแบบนี้นะบางคนทําทำไม่เหมือนกันบางท่านใช้สมะตะขึ้นตนทำสมาธิก่อนบางท่านใช้พื้ น, นานนานขึ้นตน พนใช้พิจารณาใยันขึ้นต้นมันเขาสะมาทานศีลแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วนอยก็ตามนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันนะั้นไม่ต้องเลือกเขาไข้ทวนพิจารณาร่างกายก่อนตามที่เราจะเห็นชอบพิจารณาไปพิจารณาไปจิตจะรวมตัวทีละน้อยละน้อยท่านนอนนะท่านนอนจะได้ผลมากรวมตัวทีน้อยได้ที่สุดจิตเริ่มไปสมาธิมากขึ้นมาขึ้นขณะพิจารณาเมื่อจิตเข้าถึงฌานมันจะตัดหลับทันที นนี้มีประโยชน์มากถ้าหลับในขนาดนั้นเป็นจะรหลังชานหลับกี่ชั่วโมงก็ถือว่าทรงชานรรวิปสัสสนาญาณข้อนั้นหยุดกว่าจะตื่นนี่ประโยชน์เยอะนะหากินทางที่เกียติสะดวกบรรลูกง่ายใช็นไหมนั่งบ้างนอนบ้างฉันเองแคหล่ อ, อ น, นอนไปพื้นฐานเหมือนกันไม่ใช่เพียชแค่เนอนเมื่อแกแล้วหนุ่มก็นอนนะทั้งนั่งท่านนอนนั่งนนั่นๆอ น, น, อนคือว่าบางวันเรามีงานใช่ไหมเราก็มีงานทํา เมืคืนนั่งเครียดมันก็ฝืนเกินไปย้ายฝืนถ้านั่งรู้สึกว่าฝืนจงนอนถ้านั่งและอยากจะนั่งนั่งแบบนี้มันสบายนั่งขัดสมาธิไม่สบายก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบไม่สบายก็นั่งเก้าอี้นั่งเยียรขาก็ตามใจชอบนั่งให้มันสบายอย่าฝืนถ้ามานั่งไม่สบายก็นอนนอนไม่ชอบก็ยืนยืนไม่ชอบก็เดินเดินให้ได้จงกลมรงความมันทาได้ทั้งสี่ริยาบทนะ อแล้ววันนี้นิพิทายานโอ้นิพิทายานนี่เป็นรงณ์ครับว่าอนาคามีนะย่าเพิ่งเป็นเงนนะเดี๋ยวทำสถานีตำรวจต้องทำซื้ อ, อยาร้างครับไปแถวๆถวเดี๋ยวพระจะถูกปืนนะที่ยุหลูกพ่อเมียเ็าแตกกันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเปนนาสอนเอาดิงงงวันนี้ มุญจิตุก ร, รมยาตายานมุญจิตุก ร, รมยาตายานคำหนึงด้วยความคล้พ้นไปอันนี้เป็นวิมุตต์จำภาษาไทย ก, กันในเมื่อจิตเข้าถึงความเบื่อน่ายคันนี้ผูทายานเมื่อรู้เบื่อเกิดขึ้นก็ต้องการพ้นตอนนี้จะทิ้งไปก่อนาการจเจริญกรรมฐานบรรดาญาโยามพุทธบริษัท จะเอาเฉพาะวิปัสสนาญาณมันไม่มีผลจะเจริญเฉพาะสมถะภาวนาเฉยๆก็ไม่มีผล